จะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติธรรมมีการเจริญจติตมีชติดูกายโดยใจตัวเองมีส่วนร่วมอย่างยิ่งไม่ผิดเลยเหมือนลูกน้อยอยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่อยู่กับลูกพ่อก็ต้องดูลูก ลูกก็ปลอดภัยจติอยู่ในกายในใจก็เช่นเดียวกันเสมือนพ่อแม่ดูลูกน้อยเวลาได้ร้าใจเป็นทุกข์จิจะช่วยเหลือเหมือนพ่อเหมือนแม่ให้ลูกสึกระลึกได้ขึ้นมา ใจก็ไม่มีภยัยถ้ารู้สึกระเล็กได้ถ้าไม่มีสติถ้าหลงเป็นหลงทุกเป็นทุกเหมือนลูกน้อยไก่พ่อไก่แม่ก็อาจเจนภัยได้เพราะไม่รู้จักรักษาตัวจาต่อรอดไม่ได้ไม่ว่าอะไรมาเป็นคู่มี สิงที่ต่อกันในโลกนี้มีร้อนก็มีหนาวมีหิวก็มีอิม่มหัใจของเรานี่ก็เช่นเดียวกันแต่ถ้าเราไม่มีสติแล้วหายก็เถื่อนใจก็เถื่อนก็หอบหิวไปไหนก็ได้จนพ่าย ตงต่เกิดจนตายทุกเป็นทุกโกรธเป็นโกรธหลงเนหลง่ช น, นั้นเรื่องทุกอันเก่าก็ทุกแล้วทุกอีกหลงอันเก่าก็หลงแล้วหลงอีกจนอย่า ง, งานั้นนวัตรสงสารจนดินพ่อขางหมูกาเปน ตัวโจนขึ้นมาจนพบเป็นชาติในอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจแต่ถ้ามีสติมีสัมปชัญญะดูแลากายใจแล้วมีทางมีสิ่งที่ช่วยเหลือเครื่องทุน้นแรงให้เกิดขึ้นมากมายสติก็ ตัวจักสมลวมในตาในหูในจมูกในกายใจเวลาเห็นลูกฟังเสียงหลงจินริมรถถูกต้องผุดผัอารมณ์ที่มากระทบระหว่างนี้สติจะลองรับเหมือนที่ปกป้องคุ้มครองเหมือนบ้านที่มีหลังคาดีเมื่อฝนตกก็นอนฟังเสียงฝนได้ไม่รั่ว คนมีมุ้งนอนในมุ้งฟังเสียงยุงบุนอยู่ข้างนอกได้โยงไม่ได้กัดตาคนเถือนคนจนล้มักจะกระทบกว่าเถือนตาเห็นลู ก, กพอใจไม่พอใจไม่มีอะไรอาศัยก็เป็นอย่าง น, านั่นหูดีินเสียงก็พอใจไม่พอใจจะมุกได้กินลิ้นได้โลดกายสัมปัสใจคิด อพอใจไม่พอใจการสัมผัสไม่ค่อยจะดีหงบผิวไปให้ปิดผ้าจากความเป็นจริงได้พี่เจ้าังเปรียบเทียบสติสมสัญญานีเว้นอุปการละมากเว้นอุปการละมากต่อกายต่อใจ เหมือนพ่อเหมือนแม่เลยทีเดียวหรือว่าไม่ผิดไม่ผิด้ามีสติ ด, ดูแลกายใจยิ่งเราเป็นพระกรรมฐานนักกรรมฐานแล้วโดยตรงโดยตรงกอนฝึกหัดเดืองนี้ก็ต้องฝึกหัด ทำไมต้องฝึกหนัดเพราะมันไม่เคยชินให้เกิดความรู้จักตัวนานมาแล้วหลงเป็นหลงงานมาแล้วทุกข์เป็นทุกข์นานมาแล้วเสียใจเสียใจนานมาแล้วก็เลยใช่กายใช่ใจผิดเพี้ยนไปซะทีจริงไม่เป็นเช่น น, นั้นถ้าหลงก็เป็นรู้ทุกข์ก็เป็นรู้ ่อใจได้มีความรู้ถึอว่ากายใจจะจปลอดภัยต้องหัดเรื่องนี้เวลาเราฝึกกรรมาฐานมีโอกาสผึกหัดเยอะแยะอย่างเข้าห้องเรียนถูกสอนถูกประสบการได้บทเรียนเยอะแยะถ้ามีติเป็นข้อมูลขี้แจงได้ตอบเราทุกคนเห็นกันทุกคน ระหว่างความหลงกับความไม่หลงมาในขาวเดียวกันนั้นถ้ามีจิตจะรู้จักใช้อย่างนี้ถ้าเราฝึกใช้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมากขึ้นนีจะดีมากขึ้นก็เป็นมหาสติมหาสติเกิดที่กายที่ใจก็เกิดมาเกิดผลไม่อาจจะไม่เหมือนพ่อหมอแม่ที่อยู่กับลูก จะปลดภัยในระดับหนึวงแต่ยังโกรธยังทุกข์ยังหลงอยู่ลองโลภยังทุกข์ยังเกิดเจจับใจทำที่เกิดขึ้นในใจคึ้นในสตินี้มันจะเหนือการเกิดจจับายไปโน่นล้วก็มีอย่างนี้ทำไปอย่างนี้เครื่องมือกับใช้ใจจับใจเราเป็นอย่างนี้ ยังขอสนับสนุนไม่ผิดแน่นอนส่วนคำสอนที่เป็นหัวใจหัวใจของพระเจ้าศาสนาไม่กินดีไม่เย็นลายเพมีสติเหมือนคำว่าฐานวเวสันตนกาชวากาอะไรเกิดขึ้นกับกายก็จักแต่ ว, ว่ากายนั่น แล้วหัวใจคำวมาฐานอยตรงนี้มันจะไปไปแล้วผ่านไปแล้วเวทนาที่เป็นจุกเป็นทุกข์เกิดขึ้นก็นสักว่าหเวทนานละ่ะอันว่าสักแต่ว่านั่นคือสติแล้วจิต ท, ที่มันคิดไปโนน่นก็สักแต่ว่าจิตมันก็ต้องคิดเป็นไม่ได้ไปตามมันความคิดมันเกิดได้ฉงรักษณะ ตั้คิดเรื่องหนงไม่ได้ตั้งใจคิดอีกเรื่องหนงอันเรื่องไปตั้งใจคิดนี่เกิดปัญหาแน่นอนว่อยากคิดแล้วก็คิดให้ความคิดเปล่เป็นทุกเป็นทุกข์ให้ความทุกข์เปล่ป็นให้ความคิดเป่าให้สุกขใหทุกข์ให้ล็อกให้จังแล้วก็ทําตามอาการเช่นนั้นว่าเป็นตัวเป็นตนซา อไรผิดพลาดไปเสียเปรียบความทุกข์เสียเปรียบความโกรธเกิดอยู่กับเราเลยไ ม, ม่พอต้องไปทำมาเดือให้เดือดร้อนเจ้าหายมา <c oughs> จนมาเปิดเนี่ยได้บวดเหรียญจากการสแสดงออกทั้งกายทั้งใจแต่จะต้องได้บวดเหรียญนี้ต้องมีความภาคพภพูมิมีความขยัน อาการปฏิบัติแล้วต่อเลือกตัวเราไม่ผิดก็คืเอเด็งชาขัญยานุโยคปลารุปรผูมเพียนมีสติอย่างต่อเนื่องไม่เห็นเแฉนอนเแฉเล่นมากเกินไปอย่าเอาความหนาวมาอ้างความเพียนเอาความหนาวมาอ้างไม่ทําความเพียนไม่ได้เอาความรอดมาอ้างไม่ทําความเพียน เอาความเหน็ดเหนื่อยอ้างไม่ทําความเพียรเอาขอมยังเช่าอยู่ไม่ทําความเพียรอันนี้ลักษณะของความเกลียดข้านความเกลียดข้านความไม่เกลียดข้านหาได้ในความเกลียดข้านนั้นผู้ใดมอ้างว่าเหน้านักไม่รอดนักไม่หิวนักไม่ยังว่าเช่าอยู่ไม่ทําการงาน แก่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็น ข, ขยันย่อมหาชอบได้ชอบไปนอกก็หาได้ชอบายในก็หาได้ความเกียรติค้ของคนมีลักษณะสีอย่างนี้เท่านั้นแค่ตรงนี้ก็อาจจะมักมีวุฒิฐานสวัสทาทั้งความดรือความห ย, ยันขยันหมันเพียนธรรมาจินรู้จักแ ก, กมหอมรอมริบไปกันโน่น ถ้ไม่หลงหาได้ในความหลง น, นั่นไม่ต้หาที่อื่นฟวงไม่ทุกข์ก็หาได้ในความทุกข์นั่นปัญหาก็หาได้ในปัญป ญ, ญาก็หาได้ในปัญห า, านั้นมันมีอยู่นี่ความจริงถ้าเราไม่รู้จักหาอย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนพืช ที่งามก็เกิดจากปุ๋ยที่มันสปกปรกที่มันเป็นมูลเป็นคูดวันจึงงามหลาอย่างที่มารวมกันมูลคูดเหล่า น, นี้เกิดจากถึงวดลอ้อกเช่นใบไม้ไใบ ย, ย่างนาไใบตะเขียนทองใบไม้โดนลงในดนิดนเห็นวัตถุ อยียงชิ้นย่อยสิ่งที่เป็นซากเป็นฉกย่อยลงไปเป็นอินทรีย์วัตถุกลายเป็นพืชที่งอกงามเกิดเทศปุณหอาจจะเป็นอาหารการกินได้ตอนใดก็ดีความเป็นพุะท้าเกิดก็เลยความทุกข์พระเจ้าเห็นทุกข์ยังเป็นพุที่เจ้าปุลชนเห็นทุกข์ก็เป็นทุกข์มันจะไปกันตรงนี้แยกกันตรงนี้ โอกาสที่เราฝึกกรรมฐานอยกัดให้มันถูกทางตัวนี้วิชากรรมฐานเวิชาที่เป็นหลักตั้งหลักที่เกาะหลักเหมือนแผลนที่เหมือนเราจับสะพานไตสะพานมีเราจับจนไปจู่ที่ใดมีแผนที่ไปยิ่งอนที่ทุกวันนเครื่องติดรถโยน มีอะไรที่เขาติดกันมันบอกเราไปผิดมันบอกแล้วผิดแล้วแยกหัวไปตัวมันก็บอกอ่างนี้เสียงมีจริงจริงมีเครื่องอะไรไม่รู้นั่งรถก็โขาเสียงเหมือนบอกก็ต้องกลับตามเสียงนั้นจริงไปถูกที่ถูกทาง น, นั่นวิทยาศาสตร์ แต่วิยทยาศาสตร์ศาสตร์ของคีดวิตนี่คือธรรมะเนี่ยบอกอยู่เอาไม่ได้เห็นสงทางมาพร้อมกันนะศาสตร์อางนี้ศาตร์เป็นพุทธพุทธศาสตร์นั้นหลงมันก็ไม่หลงคู่แข่งกันอย่างนี้จะให้หลงเป็นหลงเป็นไปไม่ได้เหมือนตะโกบอกสมผัสเอา ความฝักคมหลงกับความไม่หลงในเขาเดียวกันนั่นไม่มีใคความหลงนะ่แงจะแ้ตจริงเรื่องนี้ิเป็นอย่างนีเหามันทุกข์อ้าวความไม่ทุกข์ก็ ม, ม, กกมีนั่นผู้ชก็ลองดูิยกขึ้นมาำย่อมจะได้ออยู่เสมอไม่จริงความหลงไม่จริงความทุกข์ไม่จริง ความไม่ทุกขความไม่หลงจริงที่สุดตัดสิ้นใจได้ไม่ต้องถามใครผู้ศึกษาจะต้องปฏิบัติด้วยตนเองเป็นปัจจิตังของผู้ปฏิบัติรอบอยูลีเห็นจริงในสิงเรื่องนี้นี่คือกรรมฐานมันขนาดนี้แล้วมั่นใจมั่นใจเวลาเราฝึกกรรมฐานมีสติอยู่คนเดียวก็ได้ตามทำไว้ไหนถ้ามีสติไปคนเดียวได้ ต้มีวิชติต้องมีเพื่อนเรียกว่านิสัยมุตตะกะเช่นพระบวชไปยังไม่มีสติต้องมีพี่เลี้ยงอย่างน้อยต้องหปียึงกว่าให้ไปคนเดียวต้องมีสิชตไปคนเดียวได้เลยขนาดนี้นะวิัยเอาตัวรอดได้ไม่ผิดถ้าไม่มีวิชติก็ต้องมีครูอาจารย์บอกสอนอันนี้ก็ไม่ถูกอันนี้ก็ไม่ถูก อย่างนี้ถ้ามีสติมากจะรู้รอบรอบรู้ผู้มีสติเป็นหน้ารอบผูม้มีสติเปนหน้าโลผู้มีสติเป็นวินหน่อยคือไม่เผอลอรู้อะไรเกิดขึ้น ก, กับกายใจรู้ม่นจะพิดนังไงถ้ามีสติมันไม่ใช่ไปห้ามข้อห้ามมันรู้มันต้องปฏิบัติ ใช่อดใช่ทนไม่ได้ทนสักหน่อยจนความกวดต้องกัดฟันออกมาข่มไว้ไม่ได้ขม่มเลยยิ้มได้เพราะม่ถูกต้องด้วยบทเรียนไม้เห็นของเท็ของจริงในขราวเดียวกันเนี่นี่วิจากรรมฐานเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้สมปรศึกษา กับชีวิตเราจริงๆถ้ารู้เรื่องนี้จะไม่ลืมไม่มีโอกาสลืมเลยไม่เหมือนท่องจํารู้แจ้งไม่ใช่รู้จาเห็นแจ้งวิปัสสนาเข็นแจ้งอย่างนี้ไม่ใช่รู้แบบจํจจเาเอารู้แบบจำว่าไม่มีประโยชน์ว่าความหลงมันถูกต้องไหมก็าตอบได้ว่าไม่ถูกต้อง ความทุกข์มันถูกต้องไหมก็ตอบได้บ้งไหมถูกต้องความไม่ทุกถูกต้องควาหลงไม่ถูกความไม่หลงไม่ถูกความไม่หลงถูกต้องตอบได้แต่ว่ายังหลงยังทุกอยู่เพราะไม่หัดในขาวเดียวกันนั้นปฏิบัติจะเปลี่ยนทันทีรู้จักตัวไว้แล้วพร อ, อะไรเกิขึ้นกับรู้จักตัวมีกายมีใจจริงๆ ในลูก ม, มีน้ําจริงๆน้ําก็สัมผัสลูกก็สัมผัสสัมผัสตรงเนี้ยลูกเองไม่ใค่คนอื่นสัมผัสสัมผัสความหลงสัมผัสความไม่หลงเนี่ยการสัมผัสนี้เป็นหลักปฏิบัติสุดยอดเราจะไม่ทําอย่างอื่นเป็นปัญญาไปเลยไม่ต้องนั่งสมาธิหลับหูหลับตา กรสัมผัสมีได้ทุกโอกาสดับตาก็รู้ได้สัมผัสได้เดินไปก็สัมผัสได้วิ่งอยู่บนรถเมย์ทางานก็สัมผัสได้มีการอยู่ที่ไหนมีใจอยู่ไหนคือสัมผัสอยู่ที่นั่นมัไม่ใช่รูปแบบสมาธิมันต้องแน่วแน่คือไม่เปลี่ยนแปลงเปนอื่นอีกจะพาะเรื่องไปอ่านหนังสือกร็ชออ่านหนังสือ ทำงานก็ะเพาะทำงานขับรถก็เพราะฉับรถไม่ได้หลายกิตหลายใจสมาธิสมาธิใส่ใจเรื่องเดียวก็เงินเมื่อมีสมาธิก็มีปัญญาเล็กขึ้นกับรูแก้ไขกลับมาที่ตั้งว่าเวลานี้ทำอย่างนี้อยู่จึงสมาธิเนี่ยมันชัดเกณฑ์แม่ย้ากับการใช้ชีวิต ไม่มีอะไรผิดพลาดได้ทางานดีทางานเจ่งถูกต้องแม่ยําชัดเจนกาละเทจะยิ่งเราเอยู่กับโลกก็ไม่ลดถลโลกมาแย่เราก็รู้เป็นหลักอยู่แล้วไม่เช่าเราอยู่คนเดียวพื่อัดไปกับงานกับกานใช่กั บ, บ้านกับกาน ถ้ามีหลักอยู่แล้วกลับมาตั้งหลักกลับมาตั้งหลักหรือ <st ut ters> ว่าจนฝึกกรไมนิจมานเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ขึ้นมาวิชากรรมาิถานเป็นวิชาที่ใช้ได้กับชีวิตจริงๆกับกายกับใจจริงๆไม่ใช่นีออกจากบ้านจากเรือนส <c oughs> ำหรับผู้มีบ้านมีเรือนมีที่การงาน อาจจะทดแทนข้อเก่าเป็นเพึ่งกันและกันมากขึ้นตัวนกรกปัาและมิตรมากขึ้น <c oughs> เป็นที่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนเป็นปัญญาสามีมากขึ้นไม่ใช่เป็นอย่างเดียวในตัวคนเดียวไม่ั้งพ่อต้องแม่มี่ั้งเพื่อนมี่ั้งมิตร มีทั้งมีทั้งน่องมองนั้นมันเป็นอย่างนี้เป็นมิดมองฟอมเป็นมิรมองต้นไม้ก็เป็นมิดมองช่องมองเสือเป็นมิรเพื่อนเกิดเจ็จ ะ, จะลายด้วยกันจะว่าจะไงเคยเจอช่องเคยเจอเสือกมองเขว่าเป็นเพื่อนเกิดเจ็บจะตายด้วยกัน ไม่ใช่เป็นศัตรูล้วก็มีบัญญาแล้วถ้าบอกอย่างนี้เห็นงูก็ทําอย่างหนึ่งเห็นจ้างก็ทําอย่างหนึ่งเห็นเสือก็ทําอย่างหนึ่งเห็นคนก็ทําอีกอย่างหนึ่งก็้าไปหาคนละเพจนี้ควรพูดอย่างไรควรอยู่ตรงไหนเข้าไปหาบุคคลเช่นนี้ควรทําอย่างไรไปหาคนพานต้องปฏิบัติอย่างไรไปรหาบัณฑิตควรปฏิบัติอย่างไรควรพูดคำใดนั่งอย่างไรแล้วก็มี้ความรู้ หลงผิดเราก็ดูดูก็ออกโลกนี้ไปอย่างนี้มีผลพานมีบัณฑิตการไม่คบคผลพานการครบบัณฑิตก็อยู่ที่ตัวเรานี่ผลร่านก็อยู่ที่ตัวเรานี่บัณฑิตก็อยู่ที่ตัวเรานี่นนนผลพานคือหลง บัณฑิตคือไม่หลงบันฑิตคือทุกบัณฑิตคือไม่ทุกถ้าเราคอบคุมตัวเองดีพวบคุมคนอื่นก็ได้คนเยียดข้ามอยู่กับเรานี่คนขยันก็อยู่กับเราหนิคนดีก็อยู่กับเราหน่คนชั่วก็อยู่กับเราหนิอาจารย์จงเฉยเฉยไว้ที่โรงอาหารนะ ว่ดีนด้ำดีดินดีอากาศดีอยู่ที่ไหนอยู่ที่คนคนดีที่ไหนคนดีก็อยู่ที่ตัวเรานี้อยา่าขี้ไปคนอื่นถ้าทุกคนขี้มาหาตัวเองอ่ะเนี่ยมันก็ดีได้น้ำก็ดีได้ดินก็ดีได้อากาศก็ดีได้แผ่นดินก็ดีได้แต่ขี้หาคนอื่นเน่ยทิ้งขยะม่ามเลือกที่ไม่ถูกที่ไม่ถูกสถานที่ ก็เป็นผลกระทบต่อระบบนิเวศ ท, ทำลายทัยพินภาพหน้ารังเกียดเป็นผลกระทบต่อมนุษย์มันไปใกลไปได้เขียนไว้ตรงนั้นถ้าเราเป็นคนดีไม่ก็ไม่ทิ้งอย่างนั้นมีสังขยะที่นี่ขายขยะ ก, กินนะโรงงานขยะไปตั้งริเหงื่อรา้าน โดเดือนละหมื่นนะ่ะอทีนี่ขายขยะเอาทิ้งลงไปอย่างนี้คนเจ็บไปขายถ้าทิ้งกันที่นีถุงห่ออยู่ตามที่อยู่ก็บางเินบางข้างคนอื่นก็มาเจ็บไปไปเทอ๋อหญิงว่าลองรับเทไปไปเทที่กองกันไว้หล่ะมีครูคัดเลือก ถ้าท่านถือไปเองไปเทที่เทขยะที่โน่นเขาจะมีคนคัดเลือกแต่ควรแยกให้รลยหัวใจอย่างหนึ่งขยะที่เผาเอาอย่างห น, น, นึ่งขยะที่ทิ้งคนจำ่านหนึ่งพ่อเปือกผลไม้พวกเศษ อ, อ, อาหารทิ้งสาดเข้าไปในป่าเป็นปุ๋ยเป็นเหตุให้กินต้นไม้งาม จะไปกองกันไหวใส่ถังใส่ทุไว้แล้วเป็นหนอนเต็มแมงวันเพื่อนเดียวเป็นแมงวันได้แมงวันเต็มเลยถ้าเราไม่ดูแลใช่ห้องน้ําำมองช่วงที่นี่ก็ไม่ทั้งอ่ำอ่างน้ำใช่กาถัง น, น้อยๆเปิดน้าําใส่ใช่ห้องน้าําไม่มีอยู่เมือาไขได้ เ, เราเทเหล้าเคลื่อนไว้ตลอดเวลา ไม่ใช่มีถังน้ำก้อนกีใส่เปิดปเจ้าเติมเต็มไปอะไรนะเป็นแหลง่งยุงอย่างแมงวันจุตหานนี่ก็เป็นเจ้าแบบเจ้าแผ่นไดหลายอย่างประโยชน์จากขยะก็มีโทษจากขยะก็มีเราทำเป็น ถ้าเราก็จักใช้ตัวงล้วก็ปเป็นเป็นระเบียบเรียบร้อยไปเลยตัยงนั้นปฏิบัติธรรมมันคุ้มวงจนสุขภาพก็จะดีเจรตจิตก็ดีบุรีไม่สูบเล่าไม่ดื่มไม่เกียดค้านไม่เล่นการพันันไม่คบคนชั่ว ให้เป็นนักเลงผู้หญิงมปเที่ยวกลางคืนรับผิดชอบครอบครัวระเบียบวินัยก็ดีเจ้าแบบเจบแสนมีความบอกคำสอนได้จิตวิญญาณก็ดีจิตใจบริสุทธิ์มันก็เป็นหลายอย่างในชีวิตของเรานี่จิตบริสุทธิ์ ระเบียบวิ น, นัยเศรษฐกิจสังคมสุขภาพพบหูจรนไปเลยให้มีความรู้เรื่องนี้ถือว่าพุทธศาสตร์หนาเจริญคนดีศาสนาจเจริญไม่ใช่วัดวาอารมใจญ่โตหลองอันลมอมชอดเวลาเจ้าป้าเวลา ว่าเหลืองเต็มไปหมดไม่ใช่สาวสาวเจริญคนคนค น, คนดีอี่เราก็คือคนคนหนึ่งตื่งพาใสา่หลาๆอย่างกันหนาไม่ผิดเลยมีสติดูแลกายใจดีอย่าไปโทษใครเอาผิดเอาถูกกับใครอาจารย์อยู่ที่ไหนพระเจ้าก็สนอนมาะนี่ ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้ายันความหลงให้ความไม่หลงเลือกได้ตรงนี้หรือว่าเป็นพุท ธ, ธะผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้าธรรมคือความดีความไม่ดียันความไม่ดีเป็นความดีนี่ว่าปฏิบัติธรรมมองรอและก็สมควร วองบ้างหรือได้น้อย น, อยนำไปปฏิบัติกับพระเพิ่มกัน